Oh, oh, oh. จะได้ฟังธรรมกันก็การฟังธรรมรอมทั้งการได้ปฏิบัติก็จะทำให้เราได้ทั้งการปฏิบัติ ที่ได้รู้ถึงสภาวะจิตตามความเป็นจริงถ้ายิ่งเป็นผู้ภาวนามุง่งการทำความเพียรเพื่อลดเลิกละตั้งแต่ จุดเบื้องต้นในเรื่องของอบายมุกจนถึงลดเลิกละในกิเลสตัณหาเช่นถ้าเรายิ่งออปฏิบัติ <c oughs> ภาวนาไป จนถึงจิตที่เราจะรู้แจ้งภายในจิตของตนเองผู้ภาวนาก็จะสิ้นออกจากความลังเลและความสงสัยว่ามนุษย์ที่เกิดกันมา ทุกคนก็ล้วนมีกรรมเก่ามีวิบากผลกรรมที่เราได้สั่งสมทำมาตั้งแต่ปางก่อนหรืออดิตชาติก็ต้องมาชดใช้กันมีหนักมีเบาก็แล้วแต่กรรมวิบากผลแห่งกรรมที่เราได้สร้างไว้ จนกว่าที่สุดแห่งกรรมตรงนั้นเบาบางลง ก, กว่าเราจะถึงคำนี้เนี่ยทุกคนต้องหยุดในการสร้างอากุศลกรรมใหม่แล้วก็ต้องสร้างกุศลใหม่ด้วยมันมืนนี่เก่า ก็ต้องชดใช้ถึงโยมจะทำเท่าไรดูหม้ว่ามันจะไม่เหลือเพราะยังต้องใช้นี่เดิมอยู่พอโยมใช้จนใกล้จะหมดหรือว่าหมดแล้วยมจึงจะเริ่มที่จะรู้ว่าเราค่อยสบายขึ้นไม่ว่าทั้งด้าน ร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ก็ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะได้นะบางคนในชาตินี้ชาติเนี่ยทั้งชาติเลยเกือบจะไม่มีความสุขเกือบจะไม่ได้รับความสงบหรือแม้แต่ก็าม่อความส บ, บาย จะไม่ได้ต่อให้มีลูกลูกก็ไม่กระตันอยู่มีสามีสามีก็ไม่ได้เป็นคนดิบดีสักเท่าไหร่ทะเลาะกันได้ทะเลาะกันดีแถมขี้บน่นขี้เมาเป็นคนเจ้าอารมณ์ต่างหากมีเพื่อน มีแต่เพื่อนที่คอยกินเพื่อนอิจฉาไม่ใช่เป็นเพื่อนที่คิดจะช่วยเหลือกันพอตกละกรมลำบากเพื่อนก็ซ้ำเติบมีนายก็นายคอยแต่เอารัดเอาเปรียบไม่ส่งเสริมไม่ช่วยเหลือความดีได้นายก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีผิดพลาดนายก็โยนให้ ทุกอย่างบางคนสุขภาพร่างกายก็แย่แย่ก่อนวัยยังไม่ถึงวัยอันสมควรก็โรคก็เบียดเบียนแล้วฉะนั้นก็ให้ทราบว่าบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพียงคำเดียวว่าใช้กับ โยมไม่เคยสงสัยว่าเกิดมาทำใหม่บางทีทําไมถึงเป็นอย่างนี้ธรรมาเชื่อว่าหลายคนใช้คํานี้นะทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นเช่นนี้ทําไมถึงเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไปเรื่อยๆจนไโยมทําใจได้ อะไรอะไรก็ลงมาที่เรานั่นแหละของดีไปที่อื่นของเสียเอามานี่นั่นก็ให้ทราบว่าเป็นวิบากกรรมที่เราต้องใช้หลายคนปฏิเสธว่าเราไม่ได้ทำใช่ไม่ได้ทำชาตินี้ แต่ก่อนนั้นโยมปฏิเสธไม่ได้เพราะเราไม่รู้ในอดีตของกรรมที่เราได้สร้างจึงบอกเออวันหนึ่งโยมจะยอมรับเองหลายคนไม่ยอมรับเรื่องเวรเรื่องกรรมใครก็ไม่เชื่อด้วยนะ เขาบอกเขาไม่เชื่อเวรกรรมมีจริงเห็นคนชั่วคนทำดีทำชั่วก็ไม่เห็นได้รับผลเราจะเพึ่งตัดสินยังไม่สอบสวนรู้ความจริงที่แท้จริงแล้วไปตัดสินเนี่ยเขาเรียกเป็นอวิชา ความจริงยังไม่ทราบแท้จริงและไปสรุปเองพูดเองคิดเองเออเองมันไม่ใช่บอกเออบางคนเริ่มเข้าใจคำว่ากรรมเก่าเริ่มรู้จักคำว่าเวรกรรม ถ้าใครยังไม่รู้ต่อมา ก, ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องให้รู้นะใช้ไปเรื่อยๆแล้วชะตาชีวิตเขาจะสอนพวกโยมเองชะตาชีวิตจะถูกสอนด้วยชะตากรรมชะตากรรมก็ต้องถูกเรียนรู้จากจิตวิญญาณชีวิตที่เป็นๆอยู่อย่างนี้ พอยิ่งภาวนากำหนดไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวโยมจะสัมผัสเองว่ามันเป็นกรรมเก่าจริงหรือเปล่าเป็นเวรกรรมจริงหรือไม่แล้วเราปฏิเสธสิ่งนั้นได้ไหมกัตมาก็เห็นหลายคนก็พยายามปฏิเสธจังเลย พยายามปฏิเสธแต่บางคนก็ปฏิเสธเท่าไรก็ดูเหมือนไม่มีอะไรที่เปลี่ยนที่บอกต้องเรียนรู้ด้วยชะตากับเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้ และเมื่อถึงวันนั้นเราก็ช่วยใครไม่ได้เหมือนกันถึงบอกว่าเออวันนี้เราหัวเราะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพรุ่งนี้จะไม่ร้องไห้คนที่เสียใจวันนี้วันข้างหน้าเขาอาจจะดีใจถึงบอกเออทำไมถึงเป็นเช่นนี้ อาตมาก็บอกว่ามั น, มนเป็นชะตาใครคิดว่าไปเสษได้ก็รีบปฏิเสธชะตากรรมใช่แต่เมื่อพยายามปฏิเสธแล้วมันก็หนีไม่พ้นจงยอมรับว่ามันเป็น มีบากผลกรรมที่เราได้สร้างไว้ยมจะเสียใจจะร้องให้จะตกใจจะสูญเสียอะไรก็ตามจำคํานี้ไว้คืออย่าให้จิตต้องเสียไปด้วยสมบัติพัฒสถานทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญเสียแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ให้เสียคือจิตบิญญาณ ต้องรักษาให้ได้ต้องรักษาให้ได้ถ้ายมรักษาจิตวิญญาณไม่ได้ก็ถ้ากิเป็นการสูญเสียแม้แต่พบชาติที่เกิดและพบชาติที่จะต้องจากโลกนี้ไปภาษาจีนเขาบอกชีช้ำอ่ะ โยมอยาชีช้ำนะอย่าถึงกับว่าชีช้าทุกอย่างมีสิทธิ์สูญเสียได้รับภายนอกแต่รับภายในโดยเฉพาะอริยรับด้าหลักๆ ก, ก็คือจิตของเราเนี่ยอย่าให้สูญเสีย สยมศูนย์เสียจิตวิญญาณแล้วถ้าเป็นบ้าไปแล้วชีวิตก็เป็นโมฆะไม่มีสาระชีวิตที่จะอยู่ความหมายก็หายไปหมดใครค่าแก้ไขอะไรไม่เป็นเลยอยู่กับอดีตจมอยู่กับ ความทุกข์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นจิตของผู้ขาดปัญญาอยู่กับอาวิชาโยมไปบูชาทุกขทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยเพียงแต่ตรัสสอนว่าทุกข์ให้กำหนดหรู้เหตุของทุกข์ให้ละเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม โยมสูญเสียได้แต่จิตวิญญาณต้องไม่สูญเสียเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่คือสมบัติอันบ ร, ริสุิสุดชิ้นสุดท้ายที่จะติดตัวโยมไปยามที่จะตายไปทุกอย่างไม่ได้ไปกับเรานะ เส้นผมขนเล็บหนังวัเนนะื้อไม่ได้ไปกองอยู่ตรงนั้นแหละอิสานพูดว่ากองอายะอยู่นั้นแหละอายะกองอยู่ตรงนั้นแหละเรียนลาดอายะไปหมดไม่ได้มีอะไรไปเลย สิ่งที่จะไปกับโยมก็คือวาสนาบารมีบุญกุศลและก็กรรมชัว่วกรรมดีอัตมาจึงบอกว่าเออเมื่อใช้กรรมหมดชะตาชีวิตก็ดีขึ้นใหญ่ยยต้องโศกเศร้ากับความทุกข์ที่แล้วมา โยมไปนั่งบูชาทุกอยู่แล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ภาวนานะหลายคนยังไม่เข้าใจนะภาวนายังแบกทุกข์อยู่ทุกข์ในอดีตไม่ใช่ทุกข์ปัจจุบันมันตายไปแล้วความเจ็บอดีตไม่ใช่เจ็บปัจจุบันอดีตที่เจ็บมันตายไปแล้วแต่โยมทําให้มันเหมือนกับว่ายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน นั่นเขาเรียกทุกข์ด้วยอวิชชาขาดปัญญาแต่ารมาบอกเรื่องไหนว่าชีวิตคนเราร้องไห้เมื่อวานไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้ต้องร้องไห้อีกมันคนละตอนโยมดูน้ำไหลมันไหลผ่านไปแล้วโยมมองน้ำที่ไหลวันนี้ มันไม่ใช่หยดน้ำของเมื่อวานนะโปรโดเข้าใจใหม่ต่อให้ไปเย็นอยู่เวลาเดิมพรุ่งนี้ตอนเช้าทีเก้าโมงอีกวันโยมมายืนดูว่าน้ำยังไหลไม่ใช่หยดน้ำหยดเดิมที่ไหลนะมันคนลอยหยดทำไมชีวิตไม่ปล่อยให้มันไหลไปกับการเวลา โยมเคยฟังเพลงไหมเรื่องเพลงแม่โขงแม่น้ำโขงเอาความขมขื่นไปทิ้งที่ไหนโยมว่าแม่น้ำโขงให้มันไหลไปไหลไปไหลไปเรื่อยโยมไม่ต้องไปคว้าไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปหยุดมันอาตมาบอกเออเข้าใจแล้วทำไมมนุษ ชอบแบกทุกข์กันนักกันหนาะชอบแบกความเจ็บปวดต้องแบกความโศกเศร้าเสียใจแบกเรื่องนั้นเรื่องนี้จนเป็นปมด้อยใจก็เป็นง่อยไปด้วยไม่มีแรงที่จะเดินต่อไปวันข้างหน้าแตมาบอกมันไม่ใช่ตัวตนชีวิตของเราที่ต้องเลือกอย่างนั้นแตมาจึงบอกเออ คนที่แข็งแรงในชีวิตเท่านั้นที่จะยืนหยัดแล้วสู้ต่อชะตาได้ไม่งั้นยมจะแพ้แล้วนะแพ้แบบยอมแพนะ้ก็บอกว่าล้มที่ไหนไม่ลืมใช่ไหมลุกที่ตรงนั้นล้มและยมไม่ยอมลุก ก็ถูกเหยียบซ้ำล้มตรงไหนลุกขึ้นมาไม่ใช่เป็นนอนโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันยอมแล้วไม่ใช่จิตมันยังไม่ถึงฝั่งยังไงยังไงมันหยุด นิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนคนตายที่ยังไม่ตายเนี่ยมันผิดโยมทำผิดตอด่อจิตวิญญาณจะถูกทุกทรมานแค่ไหนมันก็เป็นชะตาแต่เราก็ต้องเปลี่ยนชะตาเหมือนกันเอาในเมื่อมันมีชะตา ชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายว่าทำปุ๊บดีปับ๊บไม่ไม่เพราะว่าบางอย่างมันก็มีเงากับดำทำมุนอยู่เหมือนชีวิตของเรานี้ยังถูกสาบอยู่ด้วย แรงกรรมที่เป็นบาปอยู่ยังไงยังไงโยมก็ไม่พบความสุขแต่ขนาดเดียวกันเมื่อชีวิตได้มีชะตาที่พบกับความทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าต้องยอมไม่ใช่หรือว่าต้องหนีก็ไม่ใช่ยืนหยัดและต่อสู้ คนที่ยิ้มไม่เป็นก็ต้องฝึกยิ้มยิ้มไม่ได้พูดเล่นโยมลืมยิ้มมานานแล้วบางคนไปมองกระจกใหม่เขียนที่กระจกว่ามองแล้วกรุณายิ้มด้วยแล้วก็วงเล็บสวยๆหน่อยเอาพูดจริง โยมอยากเห็นกระจกหน้าบึ้งแล้วถึงบอกนางเอกที่สวยจะามารู้แล้วสวยที่จัญญาถ้าเอานางเอกสวยแค่หน้าตานเนี่ยเป็นไม่ได้แต่พอมีจัญญาด้วยรู้เลยว่านี่แหละคือนางเอกเอ้ไหมโยม เาให้สองคนน hmm. ี้สวยเท่ากันเราก็ยังไม่รู้ว่าใครคือนางนางร้ายหรือว่านางเอกใช่มก็ต้องดูต่อภาคสองคือจัญญาพอจัญญาแสดงบอกเลยว่าคนนี้มีพฤติกรรมมีการกระทามีอุปนิสัยมีจิตใจยังไงเียยมเริ่มจะรู้แล้วว่าใครคือนางเอกแล้วก็ใครคือนางร้าย ต่อให้สวยเท่ากันนะยังบอกไม่ได้ว่าใครคือนางเอกต้องดูที่จัญญาก่อนดูที่จิตใจถึงบอกโยมก็ต้องเปลี่ยนชะตาให้ได้ชะตาชีวิตบางครั้งพวกเราก็โทษว่าเป็นเพราะคำว่าพรมลิขิต บางทีก็โทษว่าฟ้าไม่ปราณีฟ้าไม่มีตาฟ้าขาดเมตตาจริงๆ จ, จิตใจของโยมต่างหากที่ขาดเมตตากรรมวิบากก็ส่งผลกลับมาจริงโยว่าหลายคนไม่ได้ทำวันนี้แต่วันก่อนก่อน เราเคยทำมาถึงหลายคนบอกไหนบอกว่าเวรกรรมมีจริงฉันทำชั่วไม่เห็นมีฉันทำดีไม่เห็นได้แต่พอถึงบทผลแห่งกรรมที่ส่งผลมาทั้งทั้งที่โยมบอกฉันไม่ได้ทำแล้วเวรกรรมนี่มันมาจากไหนโยมน่าจะสงสัยบ้าง บางคนทำอะไรนิดอะไรหน่อยแม้ความดีก็ยกย่องไปพืดพืดพืดพืดำพืนะไปเลยบางคนเกิดมาโอกาสเขาไม่ให้เลยชีวิตทั้งชีวิตเขาไม่เคยให้คำว่าโอกาสไม่มีใครหยิบยื่นให้แล้วตัวเองก็ไม่ได้มีโอกาสด้วยให้กับตัวเองอีก ชีวิตรันทดวันนั้นโยมจุดทูปจุดเทียนนั่งอธิษฐานน้ำตานองหนา้าพระประธานมองแล้วก็บอกสงสารแต่สัตว์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมชาตินี้เจ้าไม่ได้ทำมารับกรรมแต่ก่อนนั้นเจ้าทำไม่เยอะ แถมยังท้าทายซื้อด้วยว่าไม่เห็นมีเวรมีกรรมไม่เห็นมีอะไรเลยนะถึงบอกว่าผู้ภาวนาวันนี้เนี่ยใจเนี่ยเชื่อเรื่องเวรกรรมอลไรอย่างแล้วก็ศรัทธาต่อความดีที่ชีวิตจะต้องเปลี่ยนชะตาน เรามีมากน้อยแค่ไหนและจะทำได้จริงแท้เพียงใดเราต้องเปลี่ยนชะตาถ้ายมเปลี่ยนชะตาไม่ได้อาตมมาบอกพวกเราเนี่ยจะเป็นสัตว์โลกหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จบสิ้นไม่มีจบ ตอนนี้จะมาเชื่อว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนชะตาอดีตเป็นยังไงมาเราอาจจะไม่รู้แต่ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยยมต้องรู้โดยเฉพาะอนาคตอันใกล้และอนาคตอันไกล ทุกคนกําลังเปลี่ยนชาตาจากชั่วเป็นดีจากบาปเป็นบุญจากโทษเป็นคุณจากกงจักก็เป็นดอกบัวนี่แหละสิ่งที่โยมกําลังเห็นอาตมาบอกไงว่าพอเข้าใจแล้วเราไม่ได้มานั่งบูชา กับความทุกข์ทั้งหมดที่มีมานะแต่มาเฉยๆนะเจ็บอดิตต์่มาก็ไม่รู้สึกแล้วเสียใจที่เป็นอดิตมันก็เลิกไปแล้วปมด้อยก็ไม่เห็นมีอะไรที่ที่ต้องต้องไปยึดถืออีกแล้วมันจบนั่นแสดงว่าเราเปลี่ยนชะตาจากลูกกาพร้าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ จากสิ่งที่เรามีปมด้อยเราไม่รู้สึกว่านั่นคือปมด้อยยมเปลี่ยนได้ชะตาของเราเปลี่ยนได้ใจที่เคยโกรธเราก็เปลี่ยนชะตาไม่ให้โกรธได้ใจที่เคยร้ายก็เปลี่ยนชะตาให้เป็นใจดีได้ยมทำดูนะโดยเฉพาะการภาวนาน ตมากล้าพูดเลยสามวันเจ็ดวันเห็นผลจริงอยาบางชนิดกินสามวันเจ็ดวันนี้ยังไม่ออกนะยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆนะสามวันเจ็ดวันเห็นเริ่มต้นจากอะไรจากตัวของเรา อาจมาเคยบอกโยมหลายครั้งแล้วการภาวนาที่จะมาสับสนอยู่ช่วงต้นๆไม่รู้จะเริ่มยังไงจบยังไงไปแบบไหนชักลังเลโลเลเหมือกับมืดไม่รู้จะเดินไปทางไหนประตูไม่รู้อยู่ทางไหนเราเข้ามานานเกินจนไม่ได้นึกถึงทางออก และอยู่กับความมืดเพราะอยู่ไปหลายพบหลายชาติก็เลยไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนเพราะเราก็ไม่เคยคิดจะออกเข้ามานานจนเกิดความหลงอยู่ข้างในยิ่งกว่าเป็น่ายก้นอีกแต่พอถึงที่สุด อาตมาก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรก็ตามเริ่มจากตัวตนของเราก่อนถ้าโยมไม่เข้าใจตัวตนของตัวเรานะการภาวนาล้มเหลวอาตมากล้าพูดล้มเหลวต่มีสูตรตำราดีแค่ไหนจะมีครูบาอาจารย์ชี้ทางดีแค่ไหนก็ตามถ้าโยมยังไม่รู้จัก ตัวตนของตัวเองแท้จริงยังไม่รู้จักตัวเองเ ย, ยังเป็นคนไร้ค่ายมรู้ไหมอาจจะมาเคยเล่ายมฟังหลายครั้งนะจะมาเจอตระกูลเศรษฐีมีครบหมดทุกอย่าง แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาเครื่องประดับประดาทุกอย่างมีครบหมดแต่เขาขาดอะไรรู้ไหมโยกขาดจิตวิญญาณขาดความสงบมาจบที่ขาดความสุขคนขาดจิตวิญญาณก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีความสุข สุดท้ายก็คิดค่าตัวตายสาสี่ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ชะตายยังไม่ขาดส4สี่ครั้งนั่งอยู่บนกองเงินกองทองคนอื่นเขาต้องไปเน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาสักร้อยสักพันสักหมื่นสักแสนสักล้านหลายๆ ล, ล้านเนี่ยต้องเน็ดเหนื่อยกว่าจะได้รถมาขับสักคันหนึ่ง บางคนทำงานตั้งแต่สาวหนูจากห้าสิบพึ่งได้ไปแดงมาขันลองแรกมาเจอน้ำมันแพงซะอีกไปไม่รอดอีกผู้เละ้ช้ำใจบางคนกว่าจะได้บ้านสักหลังหนึ่งก็เก็บตั้งแต่เริ่มจำความได้หนจนหกสิบคางเริ่มสันแล้ว ซื้อได้ไม่กี่วันแผ่นดินก็เริ่มไหวแรงขึ้นอีกเวีนกรรมอีกอยากจะได้ตึกสูงๆพอซื้อช่วงหลังแผ่นดินไหวใจไม่ดีตอนอยู่พื้นก็อยากอยู่สูงพออยู่สูงก็กลัวตกลงมาอีกเออชีวิตกรรมไม่สิน้นสุดวกวนเวียนชีวิตมีแต่ทุกน้อยทุกใหญ่ทุกมาก ทุกวนเวียนอยู่เงี้ยจนสุดท้ายเป็นคนวิตกจริตมีแต่ความวิตกคุณคิดจะนอนก็หลับไม่สนิทกว่าจะหลับได้ก็ดึกเด่นคิดไปจนโลกจะแตกก่อนตายซะแล้วตอนนั้นเขาลือกันอยู่ช่วง โอ้โหญาติยโยมก็หลายคนมาหาตมาถามพระอาจารย์โลกจะแตกไหมอาตมาบอกโยมโลกจะแตกหรือไม่แตกโยมก็ตายเหมือนกันอย่าไปตกใจเลยโยมอยู่ให้มีความสุขวันนี้ถ้ายิ่งรู้ว่าจะต้องตายพรุ่งนี้วันนี้ต้องให้มีความสุขกว่าทุกๆุกวันที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงวันนี้ ว, นนวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเพราะพรุ่งนี้ฉันจะตายไม่ได้พูดเล่นนะยมรู้ไหมแสงสว่างจับพันธาัางสีของพระพุทธเจ้าจะปรากฏตอนไหนก่อนที่จะปรินิพพานนี่จะสว่างสวัยไปหมด ตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็จะสว่างสวัยไปหมดไม่ใช่เศร้าหมองนะอิ่มเอิบเบิกบานสว่างสวัยหมดแผ่บรารมีเจ้าไปหมดนั่นเป็นสัญญาณบอกให้เห็นของผู้มีบุญไม่ว่าการมาการตรัสรู้หรือการจาก ไม่ใช่มืดมาแล้วก็มืดไปนะไม่ท่านสว่างมาแล้วก็สว่างไปไม่ต้องไปตกใจหยบพอยิ่งเราภาวนากำหนดได้สมบัติที่จะตามเราไปไม่ใช่เข้าของไม่ใช่เพชรนินจินดาถึงบอกมีหน้าคน อันจะมีกินอย่างคิดค่าตัวตายแสดงว่าสิ่งที่เขามีอยู่เขายังดูว่ามันยังไม่ใช่ที่เขาต้องการชีวิตตรงนี้คูณบมบางคนกว่าจะได้บ้านกว่าจะได้รถกว่าจะได้ที่สักแปลงหนึ่งนะโอ้ลบาบากแต่ส่วนโยมที่จะมายกไว้เนี่ยรวยรวยรวย ไม่ต้องไปหาหลวงพ่อคุณก็รวยแล้วอยู่ไม่ใช่รวยเล่นๆนะรวยจริงๆฉีดน้ำหอมจนมึนตึ๊บเลยเขาฉีดจนคุ้นแต่ว่าพระไม่คุ้นนั่งสองพักชักชักชักมึนๆทำให้เกิดมลภาวะ ผู้ที่ไม่คุ้นเคยต่อกลิ่นยิ่งบินภูมิแพ้ด้วยกลิ่นแปลกๆมากเด็กก็อัดชิ่วใส่รวยแต่พอเผอคิดค่าตัวตายอัตมาก็บอกเออโยมคนลำบากกว่าโยมก็เยอะแยะ ทุกที่ที่เห็นเห็นอยู่ปากท้องเขายังต้องหาเช้ากินค่ำหน้าดำหน้าแดงทำงานเป็นเดือนกว่าจะได้เงินเดือนมาโยมไม่ต้องเหนื่อยเลยอยากจะไปไหนก็บอกมีคนพาไปอยากจะกินอะไรก็สั่งมีคนยกมาให้โอ้สบายขนาดนี้ชีวิตจะเอาอะไรอีก วัตถุไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้เขามีความสุขเลยตมากัดูบอกอา้าวก็หลายคนคิดว่าถ้ามีวัตถุร่ำรวยแล้วก็จะมีความสุขแต่เชนไหนคนนี้มีครบทุกอย่างและบอกไม่มีความสุขมันแย้งกันแล้วนั่นเนี่ยถึงมีวัตถุ ถ้าไม่มีจิตวิญญาณสูญเสียไปแล้วมันไร้ค่าแต่ถ้ามีจิตบิญญาณอยู่ถึงจะยากจนค้นแค้นเพียงไหนชีวิตก็ยังมีรอยยิ้มมากกว่ามีสุขมากกว่าบอกเออถ้าคนนี้เขาจะจากโลกนี้ไปน เขาไปเขาไม่มีอริยทรัพย์เขาจึงรู้สึกว่าเขามีทุกข์มาแชตามาบอกโยมอย่าสูญเสียอะไรที่สูญเสียภายนอกวัตถุเข้าของสิ่งของไม่เท่ากับใจของโยมที่สูญเสียในวันนี้ ดสงันผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติต้องกำหนดมีสติให้ดีพอเราใช้สติเราก็จะอยู่กับเหตุผลพอเราอยู่กับเหตุผลเราก็มีปัญญาที่จะรู้ถึงทุกเหตุของทุกและความดับพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึยงว่าจะดับเหมือนดับไฟเลยนะมันไม่ง่ายเหมือนอย่างนั้น แต่คำว่าดับคือเราจะไม่สร้างเวรภัยให้มันมากกว่าเดิมและก็ต้องหาวิธีแก้ไขชะตาชีวิตวันนี้และวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปอีกจนกว่าทุกอย่างมันสิ้นสุดลง ยมอย่ามองว่าอะไรมันเที่ยงนะมันไม่เที่ยงสุขวันนี้ก็ไม่เที่ยงทุกวันนี้ก็ไม่เที่ยงอาตมาจึงบอกไม่จาเป็นต้องยึดถือสุขก็รู้ว่าสุขใช้มันไปทุก็รู้ว่าทุกใช้มันไป แล้วก็ผ่านพ้นชีวิตทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เดินต่อไปยมอยากเข้าใจว่าชีวิตเป็นความสุขแล้วมันยุติเลยตรงนั้นไม่ใช่นะหลายคนเขาบอกคืนนี้ไม่อยากให้ดวงดาวจากไปอยากจะอยู่ตรงนี้นา น, น, าน นั่นคนกำลังมีอารมณ์เพอ้อฝันพูดไปกำลังยิ้มหวานอยู่กำลังพบสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่อยู่กับเราถ้ายมเข้าใจชะตาชีวิตเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์มากเกินจนบ้าโยมรู้ไม่ทำไมคนเป็นบ้า เพราะไม่มีสติรู้ไหมทำไมคนจึงไม่มีสติจึงเป็นบ้าเพราะเขายึดมั่นหมายสิ่งนั้นแล้วเมื่อไม่ได้ดังประสงค์เขาทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จนไม่มีคำว่าการควบคุมจิตได้เลยจึงเรียกว่าจิตแตก จิตกระเบิดคุ้มคลั่งควบคุมอะไรไม่ได้น่าเสียดายฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ภาวนาโยมอย่ามองว่าสิ่งไร้ค่าทั้งหมดที่เป็นวัตถุจะมีค่ากว่าจิตใจนะฉะนั้นตัมมาจึงใช้ว่าสิ่งที่ไร้ค่า เพราะอะไรเพราะมันมีค่าอยู่กับเราได้แค่ชั่วนณนะแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปสุดท้ายมันก็ไร้ค่าอโยมต้อยโยมใส่แหวนเพชรอยู่ในนิ้วนะต่มมาก็บอกแหวนเพชรที่ไร้ค่าเพราะเขาอยู่กับเราได้อีกไม่นานและก็ไม่ตามเราไปด้วยแต่สิ่งที่มีค่าอยู่กับเราแท้ๆคือจิต ดวงเดียวโยมทิ้งมันเสียไปมองเป็นวัตถุยิ่งใหญ่กว่าดวงจิตยิ่งใหญ่กว่าความเข้าใจชีวิตเรากำลังหลอกและก็หลงตัวเองสุดท้ายโยมจะไม่ออกไปจากโลกแบนี้ก็คือเหมือนหาทางออกไม่เจอที่ยกตัวอย่างไว้ที่สุด ต้องกำหนดเห็นตัวตนของตัวเองายมพาวนาเห็นได้ยังยมลองวาดรูปตัวตนออกมายมเขียนก็ได้ตัวตนของเราเป็นยังไงเขียนให้ละเอียดแล้วก็ยมอ่านดู แล้วธรรมะค่อยมาชำระแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างดูว่าเราจะเปลี่ยนชะตาได้ไหมถ้าโยมเปลี่ยนมันไม่ได้โยมก็ทําเหมือนที่เคยทํามาแล้วและทุกอย่างก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันเกิดเหมือนโซ่ที่ติดโซ่และเป็นบ่วงโซ่ต่อต่อต่อต่ อ, ตอไม่รู้สิ้นสุด สุดท้า ย, ยมเป็นนักโทษแห่งความเกิดเป็นนักโทษแห่งความตายเป็นนักโทษแห่งความเจ็บและเป็นนักโทษแห่งความแก่พระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้จึงไม่ปลื้มสิ่งนี้จึงยอมสลักสิ่งที่บอกไร้ค่าหรือไม่มีค่าในที่สุด ที่พวกเราหลงอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเนี่ยนะแล้วเราก็จากไปแต่พระพุทธเจ้าท่านมีสติมีเหตุผลเกิดปัญญารู้แจ้งพระองค์จะปลดโซ่เครื่องพันธนาการออกที่เรียกว่าสังโยชน์ เครื่องผูกรัดมัดสัตว์ให้มีพบไว้ดังนั้นโยมที่เราปฏิบัติ ถ, ถึงจุดนี้เนี่ยนั่งเห็นตัวตนไหมหลับแค่ตานอกนะตานในไม่หลับใจไม่เคยหลับไหลจึงเรียกว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานแต่จิตมนุษย์ปุถุชนนี้หลับไหล ยมเคยได้ฟังเรื่องการเสี่ยงทายของพระพุทธเจ้าไหมคือบอกนางาสุชาดาได้เอาเข้าวมัทุปายาติมาถวายมาแก้บนนึกว่าเทพทีต่ตนได้บนไว้จริงๆไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ก็ถวาย ขับบรรทุปญาตเสร็จพระองค์ก็อธิษฐานถาดที่ได้ถวายด้วยนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ร่องเนินน้ำขึ้นไปทวนกระแสน้ำแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ตรัสรู้ก็ให้ไหลไปตามกระแสปรากฏว่าถาดทองก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเรื่อยเรื่อย แล้วก็ค่อยจมลงจมลงจมลงดิ่งดิงดิงไปถึงก้นบึงในสูตรว่ามีพญานาคหลับไหลอยู่พอได้ยินเสียงถาดทองตกลงมากระทบถึงพื้นตื่นมาครั้งหนึ่ง ได้รู้ว่าบัดนี้มีพระพุทธเจ้าได้อุบัติเพื่อมาตรัสรู้แล้วแล้วก็หลับต่อแล้อยู่ว่าพวกเรานี้หลับไรไหมนี่ขนาดว่ามาภาวนาปฏิบัติกันนะยังยื้อกันอยู่โอ้โหยังไม่รู้ว่าชะตาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่า โยมต้องบอกเองนะเพราะว่าใครมารับประกันแทนโยมไม่ได้เลยบอกฉันจะเปลี่ยนชาตาพบภูมิชาติของฉันใหม่ใครก็รับรองโยมไม่ได้เพราะไม่มีสถานบัตรเรื่องจิตของการภาวนาใครกม็มารับรองแทนไม่ได้เลย นอกจากบุคคลนั้นจะรู้กระแสของตัวเองว่าเราอยู่ด้วยคุณธรรมข้อไหนเราจะรู้จิตของเราฉะนั้นโยมเป็นผู้ภาวนาโยมรู้ไหมว่าตัวเรานี้มืดแค่ไหน เป็นคนบาปหยาบช้าหรือเปล่าเวลาเหลือไม่มากโยมอย่าเล่นเกมมาอย่าไปเล่นเกมเยอะอย่าไปสนุกเกินไปอย่าไปประมาทในวัยที่เหลืออยู่อย่าความตายก็ไม่ได้บอกว่าต้องห0สิบห้าสิบสี่บเจ็ดสิบตายไม่เที่ยงแท้ ก็ไม่ต้องมากพระอาทิตย์สองอาทิตย์โยมเขาก็มาบอกพระจันทร์เดี๋ยวเอาแรงนกไปถวายพระเดี๋ยวจะเอานั่นเอานี่ขอไปถวายพระบอกเออเอาไปสิท่านก็รู้จักกับพระทางสายอีสานมาเราก็ไปถวายท่านอยู่โรงพยาบาลสงบอกเป็น โรคไตฟอกไตพอกมาที่นี้บอกมอรณภาพแล้วอายุสี่สิบแปดไม่เห็นต้องบอกถึงหกสิบแก่เลยสี่สิบแปดท่านก็ไปแล้วฟอกไตก็ดีขึ้นลุกเดินได้อยู่ๆบอกติดเชื้อ ก็ยังลืมถามว่าแล้วเอารังนกไปท่านได้ฉันแล้วยังพอ mm hmm. บอกว่ามรณภาพก็เลยไม่ได้ถามต่อบอกทำไมถึงถึงปรับปรับบอกติดเชือ้อ mm hmm. เห็นไหมโยมแล้วท่านจากไปท่านเอาอะไรไปวัด ก็ไม่ได้เอาไปสำนักก็ไม่ได้เอาไปธรรมะก็ไม่ได้เอาไปทุกอย่างไม่ได้เอาอะไรไปเลยแม้แต่จีวรผืนที่ห่อคุ้มนุ่งห่มอยู่ก็ไม่ได้เอาไปเลยทุกอย่างต้องทิ้งไว้หมดต้อมาบอกเออมันไร้ค่าจริงๆถ้าเราพูดกันแบบเป็นธรรมะมันไร้ค่าจริงๆถ้าเรามัวแต่มายึดสุดท้ายมันไม่มีค่าอะไรเลย มันได้เพียงแค่จับต้อง่วยและใช้จ่ายไปในชั่วอายุในขณะหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านต้องจากไปก็คือชัตากรรมของท่านที่มีดวงจิตวิญญาณต้องไปเลือกเกิดในภูมิพพด้วยกรรมของท่านเองไม่ใช่ใครบันดาลสวรรค์บันดาลไม่ได้ นรกก็บรรดาลท่านไม่ได้กฎวิบากกรรมเท่า น, นั้นที่บรรดาลท่านไปคนทั้งโลกก็ช่วยท่านไม่ได้ตอนนี้ท่านต้องช่วยตัวท่านเองการจะช่วยตัวตนของตัวเองได้ก็ต้องรู้จักการเปลี่ยนชะตาของตัวเองไอตมาก็เชื่อว่าโยมกําลังเปลี่ยนชะตาจากผู้ไม่มีศีล เริ่มเป็นผู้รักษาศีลจะได้เต็มครบตลอดหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ผู้ภาวนาให้ใครบังคับว่าต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้โยมต้องบริสุทธิ์เองทาสมาธิจิตจิตจะรวมได้ไม่ได้สงบหรือไม่สงบปล่อยวางได้หรือไม่ได้ใครบังคับชีวิตจิตดวงนั้นจริงๆก็บังคับไม่ได้ เพราะความสงบโยมบังคับตาตธารก็บอกโยมก็บังคับไม่ได้โหถ้าบังคับได้นะธรรมาพูดภาษาไมยบอกแจวเลยแจวไม่โยมแจวเลยนั่งปื๊บใจสงบนิ่งหมดหนี้วันนี้ละแต่อย่าลืมตานะเจ้าของนี่นั่งแบมืออยู่ข้างหลังเห็นไหม โยมนั่งคิดโลกทั้งใบใครจะไปรู้กับโยมโลกส่วนตัวใจที่นิ่งสงบคนอื่นก็ไม่รู้เป็นสมบัติภายในของโยมที่โยมรู้ว่าเออเขาเปลี่ยนชะตากรรมเขาได้รู้จักใช้กรรมและก็ไม่ผูกเวร รู้จากการสร้างบารมีเพื่อส่งเสริมให้พบภูมิจิตของเราเนี่ยไปสู่คําาเป็นประหาดและก็บัณดิตตรรมาบอกคนที่ฉลาดสุดท้ายเขาเอาสติกำหนดจิตรู้เหตุผล พอเข้าใจแยบยนทุกอย่างยมเชื่อไหมท่านมีพุทธโธอยู่ในหัวใจอโยมไม่เชื่อลองไปสนทนาพูดกับท่านต้องมีคาว่าพุทธโธอยู่ในภาษาที่ท่านพูดออกมาไม่ตอนใดก็ตอนเนี่ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านบอกพุทธโธนะไม่ใช่ความหมายคือท่านต้องเป็นผู้รู้ หรือว่าเป็นผู้ตื่นหรือไม่ก็เป็นผู้เบิกบานหรือไม่จิตของท่านก็มีความสุขไปแล้วจะไม่พูดเพื่อมีเวรต่อยอมจำไหมนะจิตของใครที่เป็นพุโทโธแล้วนะจะไม่พูดเพื่อมีเวรต่อไม่จะไม่พูดเพื่อให้จิตดิ้นรนเร่าร้อนเดือดดานต่อ จะมากล้าพูดคำนี้ได้ถ้าใครมีคุณธรรมจริงๆท่านจะมีความว่างเย็นแล้วก็รู้ว่าใจนะ่ะบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยโยมต้องรู้เอง จิตเป็นสีขาวสว่างอยู่ภายในโยมก็ต้องสัมผัสเองหลอกกันไม่ได้นะละครแกล้งแสดงได้ในฉากฉากแต่ใจของตัวเองเป็นเช่นไรก็เป็นอย่างนั้นโยมไปเปลี่ยนมันไม่ได้จิตมันตกนรกโยมบอกฉันกำลังนั่งอยู่บนหอส ว, วัสด์เดี๋ยวสริงขาดถ้ทมาว่า มันไม่ใช่ฉะนั้นบัตรนี้ผู้ภาวนาทั้งหมดทุกคนตอจะมาเชื่อว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนชะตากำลังดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับเรื่อยๆฉะนั้นโยมอย่าท้อก่อนนะพวกเรามันเหมือนคนเปลื่นโคลนมาเยอะ ทําดีปีสองปีเขาว่าเลวก็ไม่น่าเสียใจนะแต่มาว่าคิดใหม่ยิ่งยิ่งทําดีห้าปีสิบปีทําชั่วมาสิบชาติเขาจัางว่าเลวโยมก็ไม่น่าจะเป็นน้อยเนื้อต่าใจมันจริงเขานะ่ะผ้าลงมือเพิ่งเริ่มเริ่มซักหมักอยู่ตั้งหลายชาติ โยมกันึกว่าแหมชันสะอาดบริสุทธิ์หมดจดโต้เข้าใจอะไรเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยคนมักเข้าข้างตัวเองทําไปเธอขนาดทดําดียังโดนด่าวว่าไม่ดีนี่แสดงว่าโยมนี่ก็เวรกรรมไม่น้อยนะขยันขันแข็งเขายังว่ามึงนี่ขี้เกียจที่หนึ่งเลยนี่แสดงว่าเรานี่แย่สุดๆนะเวรกรรมเราไม่ดีเลยเรื่องจริงนะ กุสาวังดีเขาบอกไม่ต้องมาทำใสแส่งแกล้งมายาเอาอีกแล้วจะทำอะไรเขาดูผิดหมดเนยโยมออชีวิตนี้ลิษยาอิจฉาใครมาแต่ชาติปางไหนนอ้อชาตินี้ไม่มีใครมองว่าดีเลยสมน้ำหน้ามันนี่พูดจริงนะโยมควรจะดูตัวเองไม่ใช่โทษคนอื่นนะโอ้ให้เขาดา่าแล้วเรามีใจสงบแตมาบอกโยมเปลี่ยนชะตาได้แล้ว แต่ถ้าโยมยังด่าคนอื่นอยู่ชะตาโยมไม่เปลี่ยนเลยอนะพวกเราเริ่มกันใหม่เริ่มใหม่เราทำดีเขาว่าไม่ดีแม่ให้ขอบคุณเตือนสติยังดีไม่พอยอมบอกแม่ฉันก็ดีที่สุดแล้วจะ อ, อะไรอีกงั้นฉันไม่ทำแล้วหาบของมาแล้วก็โยนทิ้งเลยโอ้ยโยมโยมไม่เปลี่ยนชะตา ความอดทนมันเป็นพื้นฐานของการฝึกฝนเขาจ้องตาโยมกัดฟันพอเขาคิดจะจับมีดโยมชักปืนเอากันแล้วอย่างนี้ชะตายโยมไม่เปลี่ยนพอเขาจับไม้โยมก็จับมีดพอเขาเดินมาโยมก็บอกเข้ามาเลยถ้าจับมีดชักมีดมาบอกหยุดหยุดตรงนั้นแหละอย่าเข้ามาถ้ามันถามมาเข้ามาทำไม ถ้าเข้ามาฉันก็เจ็บสิหยุดเถอะพระท่านบอกท่าบอกพระไม่ใช่พูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมพอรู้แน่จะไม่รู้เรื่องยมวิ่งให้เร็วที่สุดไม่ได้กลัวนะที่วิ่งไปตั้งหลักไกลๆเอาฉันไม่กลัว ฉันไม่เคยกลัวใครใครชักมีดชักบืนใครดา่าใครว่าฉันฉันเงียบเห็นท่าไม่ไดีฉันก็หนีก่อนแต่ฉันไม่เคยกลัวใครใจบอกว่าฉันกลัวเพียงว่าบาปกรรมเท่นั้นหน้ายมเปลี่ยนชะตาได้เอายมสู้ด้วยจิตที่ดีนะแต่ยมไม่สู้ด้วยกําลังที่เลวออกไปในตามาบอกไม่นานเดี๋ยวเทวดาเป็นพวกเราเชื่อถอะ เอาเทวดาหาพวกอยู่ไม่รู้เลยทุก ว, วันนี้หายากไปดูใต้สะพานลอยยิ่งหายากใหญ่เลยมีแต่คอยเลตตาดูมือถือคนอื่นดูผู้หญิงดูสารพัดเทวดาบอกพวกนี้ไม่มีศีลไปสิงสู่มันก็มีแต่ตกนรกลงหาคนที่จะบำเพ็ญบรารมีนี่ยากนี่พูดจริงนะ เช่นถ้ายมต้องการให้มีเทพสถิตคุ้มครองโยมต้องเริ่มรักษาศีลให้ดีเริ่มแต่ชาตินี้แล้วอย่าบพงท้อใจนะทำไปแล้วห้าปีสิบปีก็ไม่ดีขึ้นอายุมตะมาเล่าชะตาเมื่อหลายปีก่อนก่อนจะบวชอายุประมาณสักเท่าไหร่สักสิบเก้ายี่สิบยมรู้ไหมตะมาเคยไปเช่าบ้านอยู่แถวบางพลัด ซอยอะไรพานุรังสีนะถ้าไม่ผิดบ้านไม้สักทั้งหลังเลยเป็นสองห้องเดือนละสามร้อยเมื่อก่อนสามร้อยก็ไม่ธรรมดานะรอบข้างก็เป็นสวนหมดธรรมาก็อยู่เดือนสองเดือนแรกก็มีค่าเช่าใ ห, นะห้ห้องหนึ่งก็เป็นห้องพระอีกห้องหนึ่งก็ไว้นอน เช้าขึ้นมาก็ไหวพระสวดมนต์จัดน้าจัดท่าถาวายไปเก็บดอกบัวแถวนั้นเขามีสวนแล้วก็มีสวนบัวด้วยถ้าลงไปเก็บเองก็คิดห้าบาทสิบดอกถ้าเขาเก็บให้ก็คิดดอกละบาทสิบบาทแต่มาก็ลงเองดีกว่าประหยัดไปห้าบาทเก็บสื้อก็มานั่งไหวพระสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิจิต เสร็จแล้วก็ออกไปขายของขายไม่เป็นหรอกโยมก็อยากจะเป็นคนดีกับเขาบ้างไงโยมอาชีพบริสุทธิ์ทำน้ำจิ้มก็ไม่เป็นโยมเข็นของก็ไม่เป็นควมม่ำมาลุกกี่รอบยืนน้ำตาไหลเลยกูชีวิตก่อไฟก็ก่อไม่เป็นควันขึ้นแต้ไม่หมดเอาขี้กบมาใส่เอากระดาษเอาไมา้มาใส่สุมสุบจุด คนใจร้อนโยมกอบไฟนี้มีแต่ควันนายยมก็ไม่เป็นทําน้าจิ้มก็ไม่เป็นก็ไปขอสูตรก็แล้วก็ไปแถวท่าเตียนไปซื้อลปลาหมึกกหมึกย่างย่างก็ไม่ค่อยเป็นหรอกยิ่งยิ่งหันยิ่งหนีบลูกค้ามานะเขาบอกฟอก้ า, าตัวเท่าไหร่บอกเสร็จเอาแบบบางๆนะครับครับบางเป็นท่อนเป็นท่อนให้เลย บทไปบทมามันจะหนีบมืออยู่เรื่อยไว้ดึงไม่เป็นมันอะไรอะไรมันดูเหมือนกับไม่เข้าล็อกไปหมดออแต่อยากเป็นคนดีอะชีวิตมันต้องเริ่มจากคนดีก็ต้องเริ่มจากอาชีพที่บริสุทธิก่อนการงานที่บริสุทธิก่อนมีจิตใจที่ดีงามก่อนอยากเป็นพระเอกเหมือนกันโย ไม่ต้องอยู่ในหนังก็เป็นได้อยู่พระเอกในหัวใจตัวเองพอแล้วก็อยู่ได้สามสี่เดือนกินไปกินมาค่าเช่าไม่พอผัดสามเดือนเขาเชิญออกเขาไม่ได้ไล่นะเป็นเชิญแบบผู้มีเกียรติสามเดือนก็ออกออกก็ออกไม่เป็นไร เราก็เป็นคนดีได้ทําอาชีพบริสุทธิ์ได้นี่คือแค่ช่วงหนึ่งที่ทาสองสามเดือนเราอยากเปลี่ยนชีวิตดูอยากจะเปลี่ยนชะตาดูแล้วก็ไหวพระสดบนแผน่เมตตานั่งสมาธิแต่ถามว่ามีความสุขไม่โอ้เดินนี่เบาออกจากห้งองพระมาอาบน้ำอาบท้าเดินเบาสบายเขาเที่ยวกลับเที่ยวบาร์เต้นกันจะมาไม่ วางก็เข้าวัดไปสร้างบารมีบุญก็ติดตัวเรามาธตรมาเชื่อว่ามันเป็นวาสนาเดิมที่เราได้สั่งสมมาใจก็เลยมาทางบุญกุณนมากกว่าเรื่องทรัพสมบัติตรรมาก็ไม่สนมีโยมเขาเอาโฉนดที่ดินมาถวายบ้านหลังสิบกว่าล้านธตรมาปฏิเสธเฉยเลย บอกไปเอาโยมบอกทํ า, าทไมท่านไม่เอาบอกไม่รู้จะเอาไปทําไมมันเป็นภาระอาตมาตอนนั้นตมาก็ไม่มีสํานักคิดว่าเรามาโปรดเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปมันเป็นภาระเปล่าๆชีวิตไม่อิสระมัวแต่มาห่วงทรัพย์สมบัติมีนั่นมีนี่ภาวนานั่งจิตมันไปไม่ได้ ปดิเสธเฉยเลยไม่เอาแล้วก็ไม่เอาจริงๆเพราะว่าใจเราเนี่ยเราหเห็นสิ่งที่มีค่ากว่าองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บอกทางให้เราเดินแล้วเราต้องเปลี่ยนชะตาของเราสุดท้ายทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้เอาไปเลยไปเสียดดยทำไม สมมติว่ามีสิบสามสิบยี่สิบปีเดี๋ยวเราก็จากจากนี้ไปทำไมเราไม่สแสวงหาบุญกุศลเราต้องออกจากชีวิตที่มืดบอดอยู่ในห้องใบนี้ต่อมาก็เริ่มหาทางออกเริ่มจากดูตัวตนของตัวเองนั่นแหละพอเรานั่งดูใช้สติกาหนดจิตตัวเองเราเริ่มรู้อดีตของเราเป็นยังไงเอา รู้จากชาติปัจจุบันก่อนเราสามารถย้อนไปเห็นสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นยังไงชีวิตแล้วคิดต่อว่าพรุ่งนี้เราจะไปทางไหนทางแยกก็มีมากมายเส้นทางก็มีหลากหลายเราจะไปไหน การกระทำก็มีมากมายทั้งดีทั้งชั่วทั้งมีสาระไม่มีสาระท่านจะเลือกทำอะไรก็นั่งกำหนดดูสุดท้ายชีวิตตรงนั้นโยมต้องตอบเองพ่อแม่ตอบแทนเราไม่ได้ทุกเรื่อง เพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดวันนี้เราต้องโตเองแล้วโยมต้องโตเองได้แล้วรู้จักเหตุผลรู้จักสติรู้จกัจกจิตถ้าโยมทำได้สามอย่างนี้มีสติอยู่กับเหตุผลวันนั้นโยมเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็ก บางคนอายุมากก็ยังเหมือนเด็กก็มีโยมก็ต้องเลือกชะตาทั้งเป็นวิบากเก่าแล้วก็เปลี่ยนชะตาใหม่ก็ขอจุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ